อารมณ์ของคนเรามีทั้งอิทธารมและอนิถารม คืออารมณ์ที่ปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาภาวะที่เห็นแจ้งในอารมณ์เหล่านี้จะบ่งบอกความเป็นอริยะบุคคลขั้นต่ำหรือขั้นสูงเราวัดกันที่ตรงนี้หลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโน ประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์เพื่อแบ่งปันเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตกับเพื่อนของเราในเช้าวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากข้อคิดข้อธรรมนำชีวิตที่นำมาเปิดรายการที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดเอาไว้ว่าภาวะที่เห็นแจ้งในอารมณ์เนี่ยเป็นภาวะที่มีลักษณะอย่างไงเพื่อเพื่อนของเราเนี่ยจะได้เข้าใจว่าภาวะที่จะเห็นแจ้งในอารมณ์ที่เราปรารถนาและไม่ปรารถนาเนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะคะแล้วก็ การที่เราเนี่ยจะเห็นแจ้งในอารมณ์ต่างๆนั้นน่ะจะเป็นเหตุเป็นปัจใจัยให้เราเนี่ยมีคุณธรรมสูงขึ้นได้อย่างไรเหตุใดหลวงพ่อกล่าวว่าการที่เห็นแจ้งในอารมณ์เนี้ยจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนตัวเราเองเนี่ยจากความเป็นปุตชนไปสู่ความเป็นอริยชนได้ก็รับหน้าที่เฉลยคำถามเรียกว่าการเห็นแจ้งในอารมณ์ฝ่ายอิทธาลมและก็อนิธาลม อิทธารมก็คืออารมณ์ดีอารมณ์ที่เป็นความสุขคืออารมณ์ที่เราชอบใจอันนิทาารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ไม่ดีเราไม่ชอบใจอารมณ์ที่เป็นความทุกข์เกิดการอึดอัดขัดเคืองเนี่ยนี่คืออารมณ์อารมณ์คืออะไรอารมณ์นี่ก็คืออาหารของจิตใจท่านนะคืออาการของจิตจิตต้องมีอารมณ์ก็ามาปรุงแต่ง สิ่งที่มาปรุงแต่งจิตเนี่ยเรียกว่าอารมณ์ซึ่งไม่ใช่จิตจิตก็คือผู้ที่รู้อารมณ์ถ้าจะอุปม า, มานะจิตก็เป็นเสมือนใบไม้อยู่นิ่งๆอารมณ์ก็คือลมที่พัดมามาถูกใบไม้ทำให้ใบไม้เนี่ยสั่นไหวไปจิตกับอารมณ์เนี่ยก็คู่กันไม่เหมือนกับใบไม้กับลมที่พัดมาชีวิตเราเนี่ยก็มีแค่นี้มีสองอย่าง คืออารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีเลยได้ชัดเลยส่วนอารมณ์ที่เป็นกลางกลางที่เฉยนั้นอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งหลวงพ่อ ก, กำเขียนท่านยกถึงอิทธารมที่เป็นอารมณ์ฝ่ายดีอันนิทธารมณคืออารมณ์ฝ่ายไม่ดีเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของตัวเราทั้งนั้นเรื่องของชีวิตของเราเป็นเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานสี่หลักของการเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นถ้ามีว่า ให้มีความเพียรให้มีสติให้มีสัมมัชญยะทำลายอภิชาและโทมนัสอภิชาก็คืออารมณ์ดีโทมนัสคืออารมณ์ฝ่ายไม่ดีก็เรียกว่าอิทธาลมกับอนิธาลมเหมือนกันทำลายไม่ถึงว่าให้รู้ทันรู้ทันแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะหลุดออกไปจากจิตใจของเราจิตก็จะเป็นปกติเป็นกลางกลางหลักของสติปัฏฐานสี่มีอย่างนี้คือรู้ทันอารมณ์ ทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีเมื่อรู้ทันแล้วจก็จะเป็นปกติอันนี้คือการปฏิบัติซึ่งคนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการเจริญสติก็ดีหรือการใช้ชีวิตก็ดีก็จะมุ่งเอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดีเสมอๆพอเริ่มเจริญสติเราก็อยากให้มีความสงบเราชอบใจชอบความสงบอยากให้จิตมันสงบอยากให้มีความสุข อยากให้มีปีติแล้วก็มุ่งแต่อารมณ์ที่เป็นฝ่ายดีเสมอเสมอแต่พอเจอสติไปจิตไม่สงบมีความฟุ้งซ่านอาจจะเกิดจากเราไปบังคับกดข่มเพื่อให้สงบจิตจริงไม่สงบเพราะการถูกบังคับมีความฟุ้งซ่านอึดอั ด, ดําคารใจเราก็ไม่ชอบอารมณ์แบบนี้การไม่ชอบอารมณ์แบบนี้ทำให้จิตเราเนี่ยมันไม่สงบจิตไม่เป็นปกติไม่เป็นกลาง แล้วก็มุ่งในอ่งเนี่ยพอเจอความวุ่นวายเราก็ไม่ชอบเจอความสงบเราก็ชอบการได้ดูได้ฟังได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสในสิ่งที่เราชอบใจเราก็มีความสุขส่วนเราไปเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ได้ยินใจเราเราก็มีความทุกข์ก็เนี่ยจิตเราก็จึงวิ่งขึ้นวิ่งลงคลุ่มดีคลุ้มล้าอยู่อย่างนี้แหละจิตไม่เป็นกลางยันใดที่เราเจญสติชีวิตมีความรู้สึกตัว มันก็ย่อมได้ไปเชิญหน้ากับอารมณ์แบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีสติแล้วมันจะไม่เกิดอารมณ์แบบนี้ก็มีแต่มีเพื่อมาให้รู้การเจริญสติเนี่ยก็ต้องได้เจอกับอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดีไม่ห้ามไม่บังคับแต่เรารู้ไว้เมื่อรู้อารมณ์ดีแล้วจิตมันก็เป็นกลางได้เมื่อรู้อารมณ์ฝ่ายไม่ดีที่มากระทบจิตก็ยังเป็นกลางอยู่จิตยังเป็นปกติเป็นกลางเพราะว่า มีความรู้สึกตัวดูแลรักษาอยู่จะไปเป็นกลางไม่เวียงซ้ายเวียงขวาไม่คลุ้มดีคลุ้มร้ายจะเป็นปกติอันนี้เรียกว่าอยู่เหนืออารมณ์เหนืออารมณ์ฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีอันนี้เรียกว่าจิตพ้นพ้นไปจากอารมณ์พ้นไปจากอารมณ์คือพ้นไปจากโลกโลกก็คืออารมณ์ถ้าหามีสติรู้เท่าทานอารมณ์เหล่านั้นจิตก็ไม่ได้ไปพัวพันอารมณ์ ออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้แต่ไม่ห้ามอารมณ์เพราะผมเขียนท่านเคยพูดได้ว่าโอ้ให้เราเป็นผู้ดูนะอย่าเข้าไปเป็นเวลามันเกิดอาการของจิตที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายอิทธาอารมณ์ฝ่ายพอใจให้เราทาหน้าที่รู้ไว้เป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นกับอารมณ์เหล่านั้นหรือเวลาเราเจอกับอารมณ์ไม่ดีฝ่ายอนิจจารมฝ่ายที่ไม่พอใจ ให้เรามาสติเป็นผู้ดูอารมณ์เหล่านั้นอย่าเข้าไปเป็นเป็นผู้ดูเนี่ยในภาษาธรรมเขาเรียกว่าจิตผู้รู้ก็ได้จิตผู้รู้จิตผู้ดูเนี่ยความที่เป็นผู้ดูไม่เข้าไปเป็นเนี่ยจิตก็จะเป็นกลางอย่างเช่นวันที่หลวงพ่อกำเขียนมาเทศที่ห้องสมุดบ้านอาลีวันนั้นก็มีญาติธรรมท่านหนึ่งไปถามว่าหลวงพ่อมักจะพูดว่าผู้ดู เขาว่าพูดดูเนี่ยมันก็มีตัวมีตัวพูดดูอยู่อ๋อหลวงพ่ออยากเฉลยมากคําเนี้มีคนถามบ่อยนะเขาว่าพูดดูมันมีตัวเป็นผูดดูนะหลวงพ่อเฉลยว่าอย่างไรไหมท่านบอกว่าอ๋อนั่นเป็นคําพูดพูดดูเป็นคําพูดถ้าไม่พูดเราพูดดูเนี่ยเราจะพูดกันไม่รู้เรื่องเลยเป็นคําพูดแต่ตัวจริงนั่นคือสภาวะที่ดู เป็นสภาวะที่ดูและสมมุติว่าเป็นคําพูดจิตผู้รู้จิตผู้ดูมันคือสภาวะผู้ดูเป็นสมมุติแต่มีสภาวะที่ดูเนี่อรองรับอยู่จิตดําเดินจิตแท้แท้เนี่เป็นสภาวะที่ดูซึ่งถ้าเราไม่พูดเราเป็นผู้ดูเนี่เราจะเอาสภาวะที่เป็นปรมัติธรรมเนี่ยมาสื่อในโลกสมมุติไม่ได้และผู้ฟังก็จะไม่เข้าใจ เราต้องรู้ว่าอะไรคือสมมุติอะไรคือของแท้ผู้ดูเป็นเพียงแค่สมมุติพูดแต่มีสภาวะรองรับอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เจริญสติไปนานๆเนี่ยสติใหม่ๆก็คือสติตานสัญชาตญาณรู้ตามสัญชาตญาณที่จะรู้ได้แต่เมื่อเจริญสติจากสัญชัตญาณไปนานๆแล้วสติจากสัญชาตญาณธรรมดานั้นมันเปลี่ยนสภาวะ จากธรรมดาเนี่ยกลายเป็นสภาวะที่รู้สึกตัวเป็นความรู้สึกตัวถ้าเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ใช่สติธรรมดาแล้วนะมันจะเกิดภาวะที่ดูขึ้นมาภาวะที่รู้สึกตัวก็ดีภาวะที่ดูก็ดีไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนอยู่ในสภาวะที่ดูตรงนั้นไม่ใช่ตัวตนแล้วพ้นไปจากความมีความเป็นไม่ใช่รูปไม่ใช่น้า มันเป็นภาวะหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราจรนสติในรูปแบบจนเข้าถึงภาวะที่ดูแล้วเนี่ยเข้าถึงจริงๆนะเข้าถึงภาวะที่ดูเข้าถึงความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยจะไม่มีตัวตนในนั้นแต่คำพูดนั้นก็ต้องว่ากันอีกแบบนี้ถ้าเกิดภาวะที่ดูภาวะที่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยเพราะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นปกติเป็นกลางจะมีความรู้สึกเย็นอกเย็นใจ เบากายเบาใจเป็นปกติไม่มีดีใจไม่มีเสียใจไม่มีอิทธาลมไม่มีอนิธาลมเป็นปกติเป็นกลางแต่มีความรู้สึกตัวอยู่อันนี้เป็นธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งมีอยู่แล้วในจิตทุกจิตเพียงแต่ว่าจิตตรงนั้นเนี่ยแสดงตัวไม่ได้ เพราะว่าสูงเพราะว่าที่มันปรุงแต่งโดยสมมติโดยความคิดเข้ามาแทรกแซงความคิดต่างๆที่เข้ามาแทรกแซงก็เรียกว่าการปรุงแต่งนั้นภาษาธรรมเรียกว่าเจ้าตัวสังขารคือการปรุงแต่งเข้ามาปรุงแต่งในจิตใจจนภาะวะที่ปกติเป็นกลางหรือวิสังขารเนี่ยปรากฏตัวไม่ได้ก็ปกคุองอยู่นี่แหละจนกว่าเราจะฝึกฝนนิสัยเรา อุปนิสัยที่ชอบคิดชอบปรุงชอบแต่งเนี่ยต้องมาฝึกตรงนี้ฝึกให้จิตมันเคยชินที่จะรู้สึกให้จิตเป็นปกติมากกว่าที่ฝึกให้จิตมันคิดมันปรุงแต่งซึ่งเป็นนิสยัยเป็นความเคยชินของเราจำเป็นต้องต้องอ า, องอาศัยการเจริญสติช่วยจิตช่วยใจเราบางทีต้องช่วยเขาช่วยด้วยความคิดมันก็ไม่ได้จะคิดเอารู้เอามันก็ไม่ได้ ต้งช่วยโดยการมีการปฏิบัติสักหน่อยทำความรู้สึกตัวเพื่อจิตมันเป็นปกติรู้มันอย่างเราสอนจิตให้มันรู้สึกรู้สึกต่อไปจิตเดี๋ยวเขจะรู้ไปเองโดยธรรมชาติการช่วยจิตให้รู้สึกตัวบ่อยๆบ่อยๆนี่แหละจิตจะเป็นกลางจะไม่หวันว่นไหวไปกับอารมณ์ที่เป็นอิทธาลมมากระทบคือฝ่ายดีนะแต่รู้เท่าทันส่วนอารมณ์ที่ไม่ดีอ น, นิธาลมมากระทบก็รู้เท่าทันเพียงแค่รู้เนี่ย จิตมันก็หลุดออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นแล้วจิตก็จะกลายเป็นใบไม้ที่นิ่งแม้ว่าลมนั้นจะแรงขนาดไหนก็ตามใบไม้ก็ยังนิ่งอยู่ได้เขาจึงยกว่าเป็นขุนเขาขุนเขาที่ตัะงานนิ่งอยู่แม้กระแสลมจะรุนแรงขนาดไหนก็ตามขุนเขาก็จะไม่หวั่นไหวเช่นเดียวกับจิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่เป็นภาวะที่รู้อยู่อารมณ์ดีก็ตามไม่ดีก็ตามแม้ว่าจะมากระทบ แต่มาแล้วก็ผ่านไปสิ่งนเหล่านี้ยเป็นสภาวะที่เราต้องมาพูดมาคุยกันแล้วทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงได้เพราะมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนมีอยู่แล้วเราสามารถเข้าถึงเพราะนี้ได้แต่ต้องอาศัยช่วยทั้งหน่อยช่วยเขาได้ทำหน้าที่เขาได้ถูกต้องคือมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้ที่กายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไห ว, ก, ไวก็รู้สึกลงไปเวลาจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแตง่งเราก็ไม่ห้ามเราก็รู้ ทุกครั้งที่รู้กายเคลื่อนไหวรู้จิตที่มันคิดนึกจิตก็เข้าสู่เพราะว่ที่รู้สึกตัวเป็นกลางอยู่แล้วสบายเลยทําได้ทั้งวันเลยก็จะพาจิตปัใจให้อยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรียกว่าอยู่เหนือโลกไม่ต้องเป็นทุกข์กับโลกอีกแล้วมันพ้นไปละวพ้นกระแสของโลกไปสู่กระแสความไม่มีทุกข์การปฏิบัติธรรมก็อย่างนี้แหละเพื่ออะไรเพื่อนําเอามาใช้กับโลกเมื่อทําแล้วปฏิบัติแล้วไม่ใช่หนีโลกไปไหนนะ พุทธเจ้าท่านก็หละสูแล้วท่านก็ไม่หนีไปไหนนะ <t> ท่านมาเกื้อกูลโลกเพราะนั้นเราเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าลูกศิษย์รุรร่นหลังๆเนี่ยเราก็ควรจ ะ, จะเจริลยอยตามท่าน <t> โดยสายการปฏิบัติแบบท่านนี่แหละการเจริญสติรู้ที่ลมหายใจเข้าก็รู้เนี่ยหายใจออกก็รู้เดินจงกรมแต่ละก้าวก็รู้เคลื่อนไหวแต่ละครั้งก็รู้ให้รู้สึกเพื่อเป็นการ รักษาภาะวะจิตที่เป็นปกติให้เป็นปกติแบบเดิมเอาไว้การรู้สึกบ่อยๆการเห็นบ่อยๆมันทำให้จิตเราเนี่ยมันพ้นออกมาจากอารมณ์หรือความคิดได้อันนี้เราเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องนำเอามาใช้ในชีวิตประจาวันเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกอารมณ์ดีอารมณ์มไม่ดีเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถที่จะรู้เท่าทัานได้ การรู้บ่อยๆการเห็นบ่อยๆการได้สัมผัสบ่อยๆเนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตต้องมีประสบการณ์อยู่ดีจะให้เราหลุดไปเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากต้องมีประสบการณ์เห็นถูกเห็นผิดประสบการณ์เหล่าเนี่ยมันช่วยทําให้เป็นฐานของจิตใจเราให้รู้จักเก็ดลาบให้รู้จักระวังให้รู้จักว่าอันนี้มันร้อนนะเข้าไปเครียดเข้าไปโกรธแล้วมันร้อนต่อไปเราก็จะไม่เข้าไป คลุกเคล้ากับอารมณ์เ่านี้แล้วอารมณ์นี้อารมณ์ดีถ้าเสพแล้วมีความสุขถ้าสุขจนเผลอแล้วก็ติดอารมณ์เนี่ยติดอารมณ์ดีเนี่ยก็แสวงหาแต่อารมณ์ดีแล่นในโลกเนี่ยมีอารมณ์ดีอย่างเดียวหรือมันก็มีส่วนที่ไม่ดีด้วยถ้าเราติดในอารมณ์ดีอ่าถ้าเจออารมณ์ไม่ดีแล้วก็ติดในไม่ดีเหมือนกันนะเพราะมันมีการติดเนี่ยเหมือนมีดด้ามหนึ่งนะจับขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีทั้งทางคมทางสันเพราะฉะนั้นเมื่ออารมณ์ดีมากระทบอ๋อเราก็มีสติรู้ว้ อารมณ์ไม่ดีมากระทบแล้วก็มีสติรู้ไว้เนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตแบบรู้สึกตัวไปกับการทํางานเลยไม่ห้ามอารมณ์แต่รู้เท่าทันอารมณ์เราไม่สามารถที่จะทําจิตให้เราเป็นปกติได้ด้วยความคิดด้วยความรู้แต่เราสามารถที่จะมีสติรักษาจิตให้เป็นปกติได้โดยอาศัยประสบการณ์การปฏิบัตินี่แหละก็เป็นเพียงแง่คิดจากคําที่ เรา่องำเขียนเลยบอกว่าชีวิตเรานี่มันต้องมีทั้งอิตาลมและอานิธาลมเราจะเอาชนะอารมณ์นี้ได้ยังไงก็โดยการเจริญสติ